ไ, ได้ เ, สสเคสที่วันนี้ก็เป็นเคสที9137ไม่หวงไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆยิ่งให้ยิ่งได้โลกก็เริ่มคำว่าพระธรรมกายที่วัดพุทธสตาบุกประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2546 โดยเพื่อนคนไทยชักชวนบ้านเกิดของลูกอยู่ที่โคราชเมืองยาโมเจ้าค่ะตั้งแต่จำความได้ชีวิตของลูกก็มีแต่ความลำบากแสนสาหัสมาตลอดชีวิตสะบักสะบองบเข็ดและยังลูกแล้วมีพี่น้องรวมกันแดคน นี่ขนาดลำบากแสนสาหัสเหมือนแม่ผมดุครับแต่มีลูกด้วยกันเจ็ดคนแต่แม่ดุพ่อตั้งกลัวไม่กล้าเข้าไกล้ดุยังไงแต่ก็บอกว่าเสือดุให้เข้าใกล้สงสัยเงันมัน้งสีชีวิตเป็นหนึ่งคนกันแม่ยกให้คนอื่นไปเลี้ยงสองคนเหลือพี่ชายหนึ่งคน ลูกแล้วน้องชายสามคนลูกเป็นลูกสาวคนเดียวที่อยู่ในบ้านคุณพ่อขรูปเป็นคนขยันขยันมากเลยสิ่งที่ท่านชอบไปหาเป็นประจำก็คือชอบไปหากบเป็นประจำเสร็จจากหากบก็มายิงนกฟีราบเอามาทำกับข้าให้ลูกๆ คุณพ่อนะมีความรู้เรื่องสมุนไพรในการรักษาโรคต่างๆแต่จะเป็นหมอประจำบ้านรักษาคนไข้โดยไม่คิดเงินทําให้หมอในละแวกบ้านเดียวกันไม่พอใจเนี่มนุษย์มันเป็นอย่างเงี้ยไม่ชอบเห็นคนทําความดีกันแปลกจังเลยเห็นคนทาความดีกันไม่ค่อยได้มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณพ่อได้เจอคนไข้ให้รอดตายเขาตอบแทนคุณคุณพ่อ โดยย ก, ล, กลูกสาวให้คุณแม่ก็เสียใจจึงระชัดการยกลูกสองคนไปคนอื่นเลี้ยงวันหนึ่งเพื่อนกันพ่อซึ่งเป็นหมอมาจา ก, กเมนได้ชวนท่านไปรักษาคนไข่อีกหมู่บ้านหนึ่งระหว่างทางได้แวะทานข้าวตอนที่ที่ยอดมระเข้าปากคุณพ่อคำที่สองเลือดก็พุ่งออกจากปากและจมูกท่าน ท่านล้มลงลักก็สิ้นใจทันทีใครๆในหมู่บ้านต่างก็พูดกันว่าท่านโดนคุณใสรเริ่มไม่กระโดนยาสั่งคุณพ่อเสียชีวิตเมื่อยุได้ห้าสาปีเมื่อไม่มีคุณพ่อขรอบครัวลูกก็ยิ่งลำบากขึ้นต้องอดมือกินมือคุณแม่ต้องปลูกพักปลูกฟักปลูกแตงเอาไปขายหรือเอาไปแลกค่าเปลือกหรือน้ำปลามาเลี้ยงพวกเรา ลูกน้อไม่ค่อยเด็ดไปโรงเรียนต้องคอยเชื่อคุณแม่ทำงานหาข้าวไปตาอีกหมู่บ้านหนึ่งเอาข้าวมาหุง <c oughs> ก็หาคกไว้ที่บ้านทั้งหมดลิงเอารามไปขายคนเลี้ยงหมูจะได้ไปโรงเรียนจะเพาะเวลาสอบแต่เวลาเรียนน้ำไปเด็ดไปแต่ก็น่าแปลกผลสอบแต่ละครั้งลูก ก็จะได้อย่างเนี้ยทุกทีเลยมาตลอดเนี่ยพก้การสอบแต่ละครั้งลูกก็จะได้อย่างนี้ทุกทีแหละในที่ดีๆมาตลอดครอบครัวของลูกลําบากแสนสาหัสยิ่งขึ้น mm hmm. เมื่อวันหนึ่งคุณแม่ไปหาซื้อมเมล็ดพันธุ์แตงกวา mm hmm. เห็นไหมเนี่ยจนไม่ดีเลยนะ mm hmm. ขณะรอเจ้าของอไร่ซึ่งกําลังนั่งเล่นไพ่อยู่ mm hmm. รอไปรอมาท่านกัจจังเงือไปดูเขาทําอะไรกัน จากนั้นพอรู้ว่าเขาทำะไรการเป็นต้นมาคุณแม่ก็ติดทั้งการมานานไรเล่า เ, ออเวลาแม่ไปไหนก็จะพาพี่ชายคนโตไปด้วยออจะเลิกเล่าเนี่ยต้องเลิกให้ได้ตั้งแต่หยดแรกถ้ายดแรกเลิกได้หยดต่อไปก็ไม่มีเพราะนั้นอนาลัคนาเพื่อมิตรภาพน้ามิตรภาพ รับแล้วก็ส่งคืนเขาซะแล้วบใอ้เขาเลิกแต่ไปจิบหยดนั่นไงแล้วก็หยดต่อมาเนี่ยตามมาเป็นจอกแล้วก็มาเป็นหลังแม่นั่งเล่นไพยก็ให้บิชายนั่งอยู่ข้างๆแม่จะหายไปเป็นเดือนๆที่พวกเราอยู่กันตามลำพังลูกจิงต้องรับผิดชอบหาเงินข้าวเธอไม่ตัวเองแล้วน้องๆโดยลูกจะรับจ้างถอนกะลา ดำนามาตั้งแต่เด็กเมื่อได้เงินมาก็ลูกก็จะเอามาให้คุณแม่จนหมดต่อามาลูกเริ่มเก็บเงินไว้เองเพราะเห็นว่าคุณแม่เริ่มติดการพนันเงงเ ง, ง, ง, ง็มมอเล่นเสียคุณแม่ก็จะส่งพิชากลับบ้านมาเอาเงินจากลูกหรือขโมยเงินที่ลูกเก็บซ่อนไว้ถ้าลูกไม่ให้พิชายก็จะเตะตีทำร้ายลูกจนกว่าลูกจะยอมให้เงินลูกจึงตัดสินใจฝากเงินไว้ที่นายจ้างก่อนเมอถึงเวลาจ่ายก็เทอมลูกจึงไม่ขอเบิกเอง แต่มักจะช้ากว่าพี่ชายจะไปเบิกล่วงหน้ามาก่อนแล้วเมื่อลูกไปขอเบิกกงินจึงไม่ได้ลูกเจ็บปวดใจมากแต่ก็ลูกเสียใจมากตามายืนร้องไห้บนว่าถึงบ่อนไม่ท้าวคุณแม่กรดมากตีลูกและพี่ชายทำร้ายลูกซ้ำอีกแทบตาย จนคนในวงไพ่อดสงสารไม่ได้ต่างกลับไปห้ามและแยกพี่ชายลูกออกไปเมื่อกลับถึงบ้านแม่ตีลูกซ้ำจนปัสสวราาและแม่ก็จับลูกมัดมือติดสาวมัดเท้าติดกันเอาสาลีอุดหูเอารังมดแดงมาเคาะใส่ลูกหลูกทั้งเจ็บแผลที่ถูกตีทั้งดิ้นหนีสุดชีวิตน้าสาวจำไม่ได้เข้ามาห้ามช่วยแก่มัดทายายให้ลูกหาข้าหาน้าให้กิน ในการครั้งนี้ลูกเสียใจน้อยใจคุณแม่มากลูกจึงคิดฆ่าตัวตายโดยเชือกสายลงในไหถือเข้าไปในปาแล้วเชือกมัดกับกิ่งต้นกลุ่มผูกคอตัวเองแล้วก็กระโดดลงมาตอนนั้นรู้สึกเจ็บจริงๆเลยแต่เดิมแอบเจ็บแต่ตอนนี้เจ็บมาก แล้วก็ทรมานมากเดียวเธอพูคอตายเจ็บและทรมานมากเธอตายไหมไม่ตายแต่ก่อนที่ลูกจะหมดลมหายใจทำไมเธอถึงไม่ตายมีคนมามีคนมาช่วยเปลากิ่งไม้หักลูกยังตกกรงลงมาเจ็บซ้ำอีก เจ็บที่คอแล้วยังมาเจ็บที่ก้นอีกเพหล่นลงมาเ <c oughs> มื่อขึ้นปอสี่เหตการเลวร้ายจะประกาฝันก็เกิดขึ้นกับลูกคุณแม่ส่งให้พี่ชายมาเอาเงินกับลูกอีกขณะนั้นลูกแล้วน้งนองๆกาลังนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่พี่ชายมาถึงก็ไม่พูดพร่าทาเพลงเตะลูกกระเด็นตกลงจากบ้านพร้อมจานข้าวตองกระทุบตีทํำร้ายจนลูกต้องยอมให้เงินตอนนั้นยังไม่พอ พี่ชายยังได้ย้อนกลับมาอีกบังคับ้ลูกตามไปที่ท้องนาะเ mm hmm. ดี๋ว่าไม่มีใครแล้วก็ต้องเข้าคมขืนทำร้ายลูก oh. คมขู่ไม่ให้ลูกบอกใครแต่บอกใครก็จะฆ่าลูก oh. ลูกเสียใจที่สุดทําไมพี่ชายแท้ๆกัลูกถึงทํากับลูกได้ mm hmm. และนี่ก็เป็นเหตุให้ลูกคิดฆ่าตัวตายเป็นครั้งที่สอง mm hmm. คราวนี้ลูกเลือกเชือกเส้นใหญ่ขึ้น mm hmm. แขวนคอตัวเองกับต้นฝรั่ง ได้ไปสังเกตดูว่ากิ่งไหนแข็งแรงคิดว่าคงนี้สำเร็จแน่เพราะเจอแล้วแล้วก็มีความคิดเริต้นฝลั่งนี่เหนียวและน่าจะไม่หักแล้วลูกก็ปีนขึ้นไปพูกข้อตายไหมไม่ตายทำไมล่ะเดชบุญสาวคนเดิมที่เคยเฉล่อลูกทุกครั้งเดินผ่านมาพอดี ได้ปีนขึ้นไปแก้เชือกออกช่วยลูกไว้ได้ทันเ mm hmm. ม่เจเปะจบปอซิงครู ก, ก็ได้มาขอให้คุณแม่ส่งลูกเรียนต่อแต่คุณแม่เซโนปฏิเสธไม่ให้เรียนแถมส่งลูกไปขัดดอกใช้นี่ทํานาแทนเป็นเวลา4ี่ป mm ี hmm. อ้อไปทํานาใช้ดอก mm hmm. ลูกต้องทำงานทุกอย่างอยู่กินที่บ้านเจ้าหนี้ mm hmm. พอทำงานยังครบสี่ปีคุณแม่ก็ให้ลูกไปหางานทำที่กรุงเทพ ตอนนั้นลูกอายุได้สิบสี่ส oh, บ oh. หปีโอ้แปลว่าไปตอนไปทานาอายุสิบปี <Yeah. S 1> น้าสายคนได้ฝากลูกเขาทำงานที่ร้านเสริมสวย mm hmm. ดังนนเดือนมาตรา่ลูกก็ส่งให้แม่และน้องจนหมด mm hmm. นี่หัวใจเธอมีความกระตันอยู่ <Yeah. S 1> แล้วความกระตันอยู่เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี mm hmm. คนดีต้องมีความกระตันอยู่ <Yeah. S 1> คนไม่ดีไม่มีความกระตันอยู่ ยิ่งกับมหาภูชิิยาจารย์เราต้องมีความกตัญญูนี่นะจ๊ะต่อมาลูกเริ่มมีความรักแล้วได้อยู่กินกับสามีจะมีลูกเด็กกันสองคนชี่อลูกมีความสุขจะได้ม่นานก็ต้องแยกทางกับสามีเราว่าเขาเจ้าชู้มากลูกก็เจ็บปวดและเกินลูกไม่อยากให้ลูกสองคนต้องลบากเหมือนตัวลูก เราต้องหางานทุกวิธีทาง8ปดโมงช้าลูกเป็นชาอยู่ในร้านเสริมสวยสองทุ่มลูกขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปจนถึง4ี่ทุ่มจากนั้นก็ไปทํางานในบาร์ต่อถึงตีสองจนกระทําว่าหนึ่งลูกก็ได้พบกับสามีคนปัจจุบันเป็นชาฝรั่งเศสมาเที่ยวในบาร์ที่ลูกทํางานอยู่เขาบอกกับเพื่อนจากเ็นคนไทยว่าเขาต้องการแต่งงานกับผู้หญิงที่จริงใจสักคน เราก็เดินทางหามาทั่วโลกแล้วอยากเจอคนที่จริงใจเราได้ถูกแนะนำให้รู้จักกันเราก็ได้คุยกันเขายกงี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เธอก็อย่างงี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราได้สนทนากัน ว่าเธอชื่ออะไรเธอก็บอกว่าเธอชื่ออะไรเป็นปริศนาธรรมสามีเขาไม่จะแบ่งลูกแปลกความหมายออกเขาก็เลยบอกกับลูกว่า Take me to your heart เขาบอกกับลูกว่า ให้ผมเข้าไปอยูน่หนหัวใจคุณเถินนะแล้วลูกก็ยอมค่ะในสุดแล้วก็แต่งงานกันอยู่ด้วยกันมาสิบสาปีแล้วค่ะแต่แม่ของสามีนี่สิคะไม่ชอบหน้าลูกเลยอืม <c oughs> ไม่ชอบตรงไหนไม่ชอบหน้าแล้วก็เอาเมือปิดหน้าเปิดปากแล้วก็ยิ้มแ <c oughs> กล้งแกล้งลูกทุกวิถีทาง ที่รุนแรงที่สุดก็คือหาว่าลูกมีชู้แต่สามียองลูกเชื่อใจลูกเราจึงตัดสินใจย้ายออกไปหาบ้านเป็นของเราเองหลังจากที่เราย้ายออกจากบ้านแม่สามีก็ประกาศขายบ้านทันทีท่านขายบ้านโดยที่ท่านเองก็ไม่รู้ว่าท่านจะไม่มีส่วนได้จากการขายครั้งนี้ขายมาเจ็บใจแต่ท่านไม่รู้ว่าท่านจะไม่มีส่วนตรงนี้เพราะท่านไม่ได้จดทะเบียนสมรส ส่วนแบ่งจากการขายจะต้องตกเป็นของลูกลูกๆของท่านเท่นั้นเนือ่องจากแม่สามีเป็นคนตะนันยแม้กับลูกๆของท่านเองดันั้นลูกๆท่านก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องแบ่งเงิจากการขายบ้านให้แม่มแต่ตัวลูกเองอได้ขอร้องสามีอธิบายเขาฟังว่าถึงแม่เธอจะร้ายกับฉันมาตลอดอแต่ท่านก็เป็นแม่ของเธอนะ เพราะมีท่านทำให้ฉันจึงมีเธอเธอต้องให้ความยุติธรรมกับท่าน mm hmm. แต่น้ำแม่สามีจึงได้ส่วนแบ่งจากการขายบ้านด้วยประการละเนีเ oh. หตุการณ์ครั้งนี้ประทับใจแม่สามีมาก mm hmm. เห็นไหมเจ้าว่า mm hmm. ทำความดีไว้เธอน่ mm hmm. เห็นไหมเจ้า mm hmm. ความกระตันยู mm hmm. เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี ทำความดีไว้เห็นไหมแม่สามีประทับใจมากท่านได้เขียนเช็คเป็นจำนวนเ ง, งินถึงห้า0มืนยูโรให้กับลูกก็ประมาณสองล้านห้าแสนบาทแต่ลูกปฏิเสธบอกว่าถ้าให้ตัวลูกก็ต้องให้ลูกลูกของท่านทุกคนด้วย<อ>ดูหัวใจเธอประเสริฐเหลือเกิ น, นม ฉันบอกไม่ no ถึงเธอไม่ใช่ลูกของฉันแต่เธอช่วยฉันดูแลฉันมาตลอดไม่ยามเจ็บป่วยไขย้ลูกแท้ๆของฉันสิไม่เคยทำอะไรกับฉันเหมือนอย่างเธอเลยเออฉันไม่ให้ใครทั้งนั้นนอกจากเธ อ, เธอแต่ลูกก็ไม่รับเจ้าค่ะดูหัวใจเธอประเสริฐเห็นไหมเพราะเธอได้ความเต็มเปี่ยมของชีวิตแล้ว คือการให้สิ่งดีๆครับแม่สามีซึ่งถือว่าได้มอบสามีมาให้เธอปกป้องเธอเป็นผู้นาชีวิตถึงเธอแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเงินเดี๋ยวเราหาได้มีเยอะแยะไปและลูกก็ไม่รับเจ้าค่ะสามีของลูกเป็นคนใจดีลูกได้คนใจดีก็เหลือเฟือแล้วใจดียังไงคือไม่เคยขัดลูกในเรื่องการทาบุญเลย นี่เห็นไหมจ๊ะทุกครั้งที่ลูกทําบุญสามีก็จะร่วมบุญแล้วก็อนโมธนาบุญด้วยเสมอสาบางครั้งถึงก็ทวงถามหาเอกสารบอกบุญว่าทางวัดส่งมาหรื อ, อยัง อ, อ, อืมมา <laughs> ในอุดมกติเลย <laughs> อย่างนี้ให้มีทุกบ้านเลยอย่างนี้ <laughs> <laughs> หรือมาทราบว่าลูกไม่มีเงินในบัญชีที่จะทําบุญแล้ว ก็จะเอาเงินมายื่นให้ลูกได้ทำบุญเสมอเสมอลูกจึงมักจะบอกเขาว่าดาริ่งสิ่งที่ดีที่สุดของฉันคือการที่ได้พบกับเธอก็เป็นคู่บุญคู่บารมีกันจริงๆการนั้นนี้เขามักจะโดนเพื่อนอาวมงานการะน่แกล้งบางครั้งก็โดนจนนายโกงค่าแรงเพราะเขาเป็นคนตัวเล็กพูดน้อย เรกก็เป็นกำลังใจให้เขาว่าขอให้เขาอดทนใครรังแกเรานอกจากให้อโหสิให้อภัยแล้วยังให้ไปซื้อกาแฟไปเลี้ยงเขานี่เจอแม่พระแล้วหรือเนี่ยไม่ใช่แปลว่าโยมแม่นะเจอแม่พระแล้วเห็นไหมโอ้โหเธอนี่เป็นสุดยอดจริงๆเลย แม้ฐานะของคร อ, อบครัวของเราเไม่ร่ำรวยแต่ลูกถือกติของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้าว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆอเวลาลูกกลับไปเยี่ยมบ้านลูกก็จะเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ซื้อข้าวสารน้ำปลาหมาปรูไปฝากผู้เฒ่าผู้แก่เสมอ นี่เธอจะรวยทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเนอะ<า>นี่เห็นไหมข้อวัดปฏิบัติของเธอปฏิปทาที่เธอทำานี่จะให้เป็นผู้ให้อย่างงี้ครูไม่ใหญ่มีความเชื่อมั่นอย่างนั้นแม้ว่าพบที่ผ่านมาเธอจะไม่ได้สร้างธรรมเรามีอย่างเต็มที่ก็ตามแต่ผังจนกำลังถูกรื้อออกไปอยู่เรื่อยๆเลยเห็นไหมจ้มีน้าใจดีเหลือเกิน ปลายปี48ช่วงนั้นเรามีแผนว่าจะเดินทางไปเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยแต่ว่าเมื่อเรามาปรึกษาการแล้วก็ตัดสินใจว่าจะนำเงินที่เราตั้งใจจะนำไปใช้จ่ายที่เมืองไทยมาสร้างบุญแทน<อ>นี่คู่บุญคู่บรุมีก็คิดกันอย่างนั้นปีนั้นเราจึงได้ร่วมเป็นประธานรองกระถิน่นสร<า>้สาง<า>องค์พระประจำตัวทำบุญซื้อที่ดินลานจอดรถ โลบุญหลอหลวงปู่ทองคำ<า>บุญช่วยเลยพระภิกษุสองสาภาคใต้และก็ทําบุญทุกๆบุญไม่เคยขาด บ, บุญเลย<า>ด้วยความปเปลื้อปิติใจหลังจากนั้นไม่นานความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับสามีมเห็นไหมจ๊ะ<ท>ต้องทําให้มันอัศจรรย์ดิเนะให้กันไปเรื่อยๆให้กันไปอีกยิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้มีมีวันหมดอดเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆความอัศจรรย์เกิดขึ้นกับสามีคือ เพื่อที่การแกล้งก็กลับมาเป็นมิตรเห็นไหม <Yeah. S 1> จะนายก็ขึ้นเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งงานที่ดีให้ oh. เห็นไหมนี่นี่ไงเห็นไหม oh. ที่จนก็จะรวยที่ป่วยก็จะหายที่นายก็จะรัก <Yeah. S 1> ฟ้าเปลี่ยนสีลมเปลี่ยนทิศแล้ว <Yeah. S 1> นี่ <Yeah. S 1> นไมจ่จช <Yeah. S 1> มีเรื่องหนึ่งที่แปลกมากสำหรับลูกลูกไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีน่จาจะจะเรียกว่าบุญค่ะ <Yeah. S 1> คือ ทุกครั้งที่ลูกทำบุญนี่ลูกไม่ได้งมงายนะคะไม่ได้งมงายนะจ๊ะคะคลูกจะถูกลอตเตอร์ไปประปาจาทุกงวดเพื่อนเพื่อนตอนหลังก็ขอซื้อตามออลูกก็ไม่ได้ว่าอะไรกัแล้วแต่เขาแต่ขอให้เขารวยโ ต, ต, ต, ต, ตหน่อยลูกถูกทุกงวดแต่เพื่อนไม่มีใครถูกเลยเออ ถ้าลูกไม่ได้เป็นคนซื้อให้ออืเห็นไหมจ๊ะมันขึ้นอยู่ก็ต้องคนมีบุญ เ, เพราะได้ทําบุญทําทานบารมีเมื่อตลอดเห็นไหมจ๊ะลูกมปนความรู้สึกว่ายิ่งลูกทําบุญลูกก็ยิ่งได้เหมือนบุญออกดอกออกผลอยู่ตลอดเวลาที่ลูกทําเลยค่ะถูกต้องมากเลยจ๊ะคำถามคุณว่าลูกเสียชีวิตเพราะถูกยาสั่งหรือคุณสายจริงหรือไม่ท่านตายไปนานแล้วตอนนี้ไปเกิดใหม่หรือ ย, อยังคะ ลูกสางพระประจําตัวให้ท่านหนึ่งองค์แล้วทิดบุญไปให้ท่านได้รับหรือเปล่าคะคุณแม่พี่ชายและตัวลูกสร้างวิบากกรรมอะไรร่วมกันมาเราจึงถูกทําร้ายจากแม่และพี่ชายอย่างมากและลูกจะต้องทําอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ไปได้เจ้าคะตอนนี้คุณแม่อายุเจ็สบสปีท่านสามารถเลิกลเล่าเลิกการมานันหัน ห, หน้าเขวัดตักบาตรทุกวันมาพูดถึงเรื่องในอดีตแม่ก็บอกว่าเออ ไม่รู้ว่าแม่ทํำกับเองได้ยังไงที่ท่านเลิกได้ก็เป็นเพราะว่าท่านหมดกรรมสุราและการผันันแล้วหรือว่าเป็นเพราะแรงอธิษฐานในเวลาที่ลูกทําบุญตัวครั้งที่ลูกขอให้ท่านเลิกจากสิ่งเหล่านี้คะลูกมเม่อคยเดิเรียนหนังสือแต่ลูกสา ม, มาสอบได้ทีหนึ่งถึงสามไปเกินสทุกครั้งเพราะลูกได้ทำบุญอะไรมาเถอคะลูกทําบุญประกระรารไรมาแม่สามีจึงรังเกลียดการแกล้งลูกในช่วงแรก แต่กลับมาดีกับลูกในภายหลังนะเจ้าคะลูกทกําการอะไรมาจึงลําบากในช่วงต้นแต่ในปัจจุบันมีแต่คนคอยช่วยเหลือและพบสามีที่ดีรักและเขา้าใจคอยสร้างบุญบา ร, รมีกับลูกเสมอเราจะทําทบุญอย่างไรจึงจะได้พบกับสามีคนนี้อีกในชาติ ต, ต่อไป<แ>คือขอให้เป็นคนดีเท่านั้นแหละใครก็อยากจะไปอยู่ยใกล้ๆ<แ>อยากอยู่ด้วยอยากจะไปด้วยกันนี่ไหมจ๊ะเราเคยเป็นคู่บุญคู่บา ร, รมีมาด้วยกันหรือไม่ และเราเคยสร้างบารมีกัมูขคณะมาอย่างไรคะการที่ลูกทําหน้าที่เป็นผู้นําบุญชักชวนเพื่อนมาทําบุญและติดจานเราทําและเพื่อนคนที่ลูกชวนนั้นได้ติดจานเราทแล้วลูกจะได้อันิสง์อย่างไรลูกทําบุญใดมาคะจึงทําให้เวลาลูกไปทําหน้าที่ผู้นําบุญหรือบอกบุญใครลูกไม่เคยได้รับการปฏิเสธทุกคนจะร่วมบุญกับลูกเสมอ ใ, ในขณะที่บางคนจะถูกปฏิเสธบ้าง ถูกติติงบ้างจนทำให้เขาหมดกำลังใจในการทำหน้าที่ผู้นำบุญต้องมาตามลูกเขาไปช่วยบอกบุญคนนั้นแทนเขาจะกะเ ม, มืองไทยก็มีลูก ก, ก็อย่างนี้แหละ <laughs> ลูกทำบุญได้มาจึงถูกลอตเตอรี่เป็นประจำทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่เคยอธิษฐานขอให้ถูกเลยแต่ลูกไปซื้อเนี่ยและการที่ลูกทำบุญไปแล้ว มีเงินกลับมาอีกเหมือนมาแทนปัจจัยที่ลูกได้ทำบุญไปลูกสงสัยว่าลูกจะได้บุญไหมคะ<อ>คือเธอสงสัยเธอทําบุญไปแล้วปัจจัยก็มาอีกเธอก็สงสัยว่าทําไปแล้วมาอีกทําไปแล้วมาอีกเองคิดเธอจะได้บุญไหมเนี่ยเธอสักสงสัยแล้ก็ทําไปแล้วก็แล้วกันไปอะไรอย่างเงี้<อ>ก็ยิ่งทํายิ่งได้ก็บอกแล้วนีลูกกลัวว่าถ้าเอาเงินที่ถูกลอตเตอรี่ไปทําบุญจะไม่ได้บุญ ลูกจึงเอาส่วนที่ถูกเราตอกเก็บไว้ช่วยการกุศลอื่นๆแทนแล้วส่วนที่ลูกทำงานด้วยความยากลำบากมาทำบุญจะถูกไหมคะแล้วก็จะได้บุญอย่างไรคะ เ, ออเธอเข้าใจถามนะสมกับได้ที่หนึ่งถึงสาเนี่ยแหละจำเรื่องกอเราและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฝ่มิโตมิตาเตืนขึ้นมา แล้วก็นำมะไรฟังเป็นนิยายปรามปรากันจ้าคุณพ่อตายแล้วได้ยาสั่งพราะแนอดีตตัวเองก็เคยทำดังนี้กับผู้อื่นจนเขาตายเนี่ยมาส่งผลให้โดนยาสั่งบ้างจ้าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิมัทิวาสายวิทยาทรระดับกลางกลางในบที่รักษาโรคเพื่อมนุษย์แบบพื้นบ้านผสมประ ส, สานกับวิชาวิทยาทรจ้า ใรับบนทีู่กาทำอุทิศไปให้ท่านแล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะคนแม่พี่ชายตัวลูกในอดีตได้เคยผูกเวรกันมาโดยตัวลูกในชาตินั้นได้เป็นนายจ้างหรือเป็นเศรษฐินีคุณแม่และพี่ชายในชาตินั้นก็เป็นทาตในอรือนของตัวลูกนี่อดีตคนเคยโดยนะจ๊ะ ซึ่งตัวลูกเองก็ได้กดขี่ทั้งแม่และพี่ชายไว้โดยมักจะลงโทษทุบตีทำร้ายทรมานต่างๆอีกทั้งมักชอบกดข่าแรงทั้งสองคนเสมอต่อไปทั้งสองคนกโกรธแค้นอยู่ในใจนำมาส่งผลให้กระทำกับตัวลูกในชาตินี้โดยวิบากกรรมดังกล่าวจ้าส่วนที่โดยพิชาคมขืนก็เป็นกรรมการเมี เ, เจ้าชูงตัวลูก ที่เคยคข่มขืนลูกจ้างในเรือนสมัยที่เป็นผู้ชายเป็นกรรมเก่าของตัวลูกแต่ว่าเป็นกรรมใหม่ของพี่ชายจ้าให้โลกโหสิกรรมไป ท, ทั้งสองแล้วก็สั่งสมบูรณ์ให้มากๆในทุกบุญอธิษฐานขอให้พ้นจากวิบากกรรมนี้บ่อยๆจ้าตอนนี้คุณแม่อายุเจ็ดสปีแล้วทะลิกเราเลิกการบนันดาลหน้าขาว่าตักบาตรทุกวันที่ท่านเลิกได้ก็เพราะ แรงอธิษฐานที่ลูกได้ทำบุญในปัจจุบันเป็นหลักทำให้ไปตัดรอนวิบากกรรมนี้อีกทั้งแรงที่ผูกเวรกันมาระหว่างเธอลูกกับแม่มก็ได้อ่อนตัวลงมาด้วยจ้าลูกมังคับเดียวไปเรียนหนังสือิดสอบได้ที่ 1-3 ถึงที่ทุกครั้งพระโลกมีบุญส่วนตัวที่ชอบการเรียนการศึกษามาแนอดีแต่ก็มีกรรมที่เคยกดขี่ฆ่าทาสแม่เขาได้รับการศึกษา และมักจะลงโทษ่าท่าที่แอบเรียนด้วยมาส่งผลให้ไม่คอคยได้รับการศึกษาดังกล่าวแต่การที่ชอบเรียนมาส่งผลใ้สอบได้ที่ดีดีดจ้าแม่สามีกันแกล้งลูกในช่วงแรกแต่มาดีด้วยตอนภายหลังเพราะกรนิดีิที่ตัวลูกชอบกลั่นแกล้งลูกสะพ้ายแต่ไม่ใช่แม่สามีคนนี้นะจ๊ะวิบากกรรมนี้มาส่งผลใ้โดนกลั่นแกล้งบ้าง แต่ด้วยบุญและความดีที่ตัวลูกทำในปัจจุบันนี้กับแม่สามีทำให้พลิกเหตุการณ์ต่างๆได้จ้าเห็นไหมเจ้าว่าทำดีไว้เถิดประเสริฐนักทำดีย่อมได้ดชีวิตลูกลาบากช่วงต้นแต่ภายหลังได้มีคนมาคอยช่วยเหลือพบสามีที่ดีรักและคอยช่วยเหลือเรื่องการสร้างบา ร, รมีด้วยเพราะกรรมตรนีในดีที่เคยเกิดเป็นเศรษฐินีมาหลายชาติ จึงทําให้กรรมตนนีนั้นเป็นชนกกรรมนําไปเกิดในครอบครัวที่ยากจนและ ก, ร, กรรมรบกวนที่เคยกอดขี่ฆ้าท้าทั้งกล่าวจึงทําให้ชีวิตช่วงตนลาบากแต่บุญที่เคยสร้างเริ่มกับสามีคนนี้กับหมู่คณะมาส่งผล oh. ก็เลยดึงดูดให้คนมาช่วยเหลือและเด็กสามีที่เคยร่วมบุญกันมาคอยสนับสนุนจ้ะ ลูกกัสามีคนนี้ก็เคยสร้างบรุญบารมีร่วมกันมากับหมู่คณะโดยเป็นกองเสมยงนังกล่าวจึงทรให้ชาตินี้มาเจอกันอีกแล้วก็ได้สร้างบุญร่วมกับหมู่คณะอีกถ้าลูกอยากจะไปเจอกับสามีคนนี้อีกลูกและสามีก็จะต้องอธิษฐานร่วมกันในทุกครั้งที่ทำบุญกับหมู่คณะหรือบุญใดๆจ้าการทาหน้าที่ผู้นาบุญชักชวนเพื่อนๆมาทาบุญ และติดจารดาวธรรมนั้นลูกก็จะได้อานิสงส์โดยย่อคือลูกจะมีปัญญาบารมีได้บริวารสมบัติเป็นเบื้องต้นจะได้มีส่วนแห่งบุญทุกบุญที่เป็นเพื่อนเหล่านั้นที่เกิดจากการทักชวนของลูกเช่นมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติได้เกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะได้รับการช่วยเหลือไปทุกภพทุกชาติเป็นต้นจ้า เวลาลูกไปทำหน้าที่ผู้นําบุญลูกมักไม่ได้รับการปฏิเสธทุกคนจะได้ลุ่จะร่วมบุญกับตัวลูกเส ม, มอเพคะในดีเวลาใครมาชวนลูกไปทําบุญลูกก็มักจะไม่ค่อยปฏิเสธเขาในการทําบุญเหมือนกันทุกครั้งเจ้าแต่ผู้ทําบุญบางคนผู้นําบุญบางคนกัลับได้รับการปฏิเสธแถมถูกติติงบ้างจะต้องมาชวนให้ลูกไปทําหน้าที่แทนนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้นําบุญบางคน ยังเตรียมตัวไม่พร้อมที่จะทำนาทีตรงนี้เช่นยังไม่ได้นั่งธรรมะให้ใจใ ส, ใส่ขาดข้อมูลที่สมบูรณ์ขาดความยิ้มแย้มแจ่มใสเ ย, ยือกเยน็นขาดศิละปะในการชักชวนเป็นต้นจ้าซึ่งต่างจากตัวลูกถ้าเพื่อนทำตัวแบบตัวลูกก็จะทำได้แบบลูกจ้าตัวลูกถูกลอตโต้เป็นประจำทั้งๆที่เวลาทบุญก็ไม่ได้อธิษฐานขอถูกลยนั่นน่ะ พระลูกมีบุญถวายสลา ก, กระพัด บ, บ่อยๆในอดีตมาส่งบุญจ้การที่ลูกทําบุญไปแล้วก็มีปัจจัยกลับคืนมาในภายหลังนั้นลูกก็ได้บุญจ้ได้บุญทุกครั้งและได้ปัจจัยกลับคืนมาด้วยแม้จะเป็นเงินที่ได้จากการถูกลอตโต้ก็ยังได้บุญแต่ก็อย่าไปซื้ออย่างงมงายลุ่มหลงจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในวงจร น, นี้จ้ะ การที่ลูกเอาเงินถูกรอตโต้ไปทําบุญอย่างอื่นแล้วเอาปัจจัยที่หามาได้จากความยากลำบากมาันทาบุญนั้นลูกก็ได้บุญจ้าเพราะลูกได้ตัดใจจากความตระนีและโหงเหนในทัพแล้วอีกทั้งลูกก็มีความบิติใจที่ลูกได้ทำบุญด้วยจ้าชาตินี้มาจากการละให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติวิฎกสิบุริวงบุ ญ, บญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยจ้า นี่ก็เป็นเรื่องราวของ case s t สั้นๆนะจ๊ะ